เสัตตกวาระว่าด้วยหมวด7จ2 7สามร้อยยี่สิบอาบัตมี7กองอาบัตมีเจวินีตวัตถุมีเจสามีจิกรรมมีเจ็ดทำตามปฏิญญาไม่ชอบธรรมมีเจ็ดทำตามปฏิญญาชอบธรรมมีเจบุคคลเจ็ดจำพวกภิกษุ ไปด้วยสัตตาหะกรณียะไม่ต้องอาบัตรงวินัยมีอานิสงเจ็ดสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมีเจด็ดเพราะอารุณขึ้นไปสิ่งของเป็นนิสขีมีเจด็ดสมถะมีเจด็ดกรรมมีเจด็ดข้าวเปลือกดิบมีเจด็ดสร้างกูดีด้านกว้างภายในเจ็ดคืบ คณะโภชนะมีอนุบัญญัติเจ็ดษิุรับประเคนเพศั์แล้วเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งภิกษุถือเอาจีวรที่ทำเสร็จแล้วหลบหนีไปเก็บจีวรที่ทาเสร็จแล้วหลบหนีไปภิกษุไม่เห็นอาบัติภิกษุเห็นอาบัติภิกษุทำคืนอาบัติ การงดปาติโมกไม่ชอบธรรมมีเจการงดปาติโมกชอบธรรมมีเจว่าด้วยองค์ของพระวินัยทรภิกษุประกอบด้วยองค์เจเป็นพระวินัยทรได้คือ 1. รู้อาบัตสอรู้อนาบัติ 3. รู้อาบัติเบา 4. รู้อาบัตหนัก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 ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุประกอบด้วยองค์เจ็ดแม้อื่นอีกเป็นพระวินัยถอนได้คือ 1. รู้อาบัติ 2. รู้อานาบัติ 3. รู้อาบัติเบา 4. รู้อาบัติหนัก 5. เป็นพระหูสูตรทรงสุตรมีการสั่งสมสุตรเธอได้สดับมากทรงจำได้แม่นยำคล่องปากขึ้นใจรู้ชัดด้วยปัญญาซึ่งทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะ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 พิษุประกอบด้วยองค์เจ็ดแม้อื่นอีกเป็นพระวินัยทอนได้คือ 1. รู้อาบัติ 2. รู้อนาบัติ 3. รู้อาบัตเบา 4. รู้อาบัตหนัก 5. าจำปาติโมกทั้งสองโดยพิสดารได้ดีจำแนกได้ดีคล่องแคล่วดีวินิจฉัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะได้ดี 6.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 เป็นพระวินัยทอนได้คือ 1. รู้อาบัติ 2. รู้อนาบัติ 3. รู้อาบัติเบา 4. รู้อาบัติหนัก 5. ้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้างสองชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20สบชาติบ้าง สามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างหนึ่งร้อยชาติบ้างหนึ่งพันชาติบ้างหนึ่งแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับบ้างตลอดวิวัตกับบ้างตลอดสังวัตกับวิวัตกับบ้างหลายกับบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลอย่างนี้ มีวันะอย่างนั้นอย่างนั้นมีอาหารเสวยสุขทุก์มีกำหนดอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นไปเกิดในภพโน้นมีชื่อมีโคษมีผิวมีอาหารเสวยสุขทุก์มีกำหนดอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นมาเกิดในภพนี้ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะและชีวประวัติด้วยประการชนิด 6. เห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติทั้งชั้นต่ำทั้งชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์ที่ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นผิดสัตว์เหล่านั้นหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในอาบายทุกคติวินิบาตนรกแต่หมูสัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะ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 ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชะนีเจ็ดทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระวินัยทอนประกอบด้วยองค์เจ็ดย่อมงามคือ 1. รู้อาบัติสอง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 ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระวินัยทรประกอบด้วยองค์เจ็ดแม้อื่นอีกย่อมงามคือ 1. รู้อาบัติ 2. รู้อานาบัติ 3. รู้อาบัตเบา 4. รู้อาบัตหนัก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 เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระวินนยทรประกอบได้องค์เจ็ดแม้อื่นอีกย่อมงามคือ 1. รู้อาบัติ 2. รู้อานาบัติ 3. รู้อาบัติเบา 4. รู้อาบัตหนัก 5. ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติละ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 เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันว่าด้วยอสัตรธรรมและสัตธรรมอสัตรธรรมมีเจ็ดประการคือ 1. ไม่มีศรัทธา 2. ไม่มีหิริความละอายบาป 3. ไม่มีอดตับปะความเกรงกลัวบาป 4. ได้ยินได้ฟังมาน้อย 5. เกียรติคร้าน 6. หลงลืมสติ 7. มีปัญญาเขาสัตทธรรมมีเจ็ดประการคือ 1. มีศรัทธา 2. มีหิริ 3. มีโอตตะปะ 4. เป็นพระหูสูตรได้ยินได้ฟังมามาก 5. ปรารบความเพียร 6. มีสติตั้งมั่น 7. มีปัญญาสัตตะวาระจบ